เรื่องดาบสองคมในทางพระพุทธศาสนาโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยขอนอมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม้ป ร, รินิพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียนกล้าว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 ผู้สแสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทางหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ <c oughs> <c oughs> ในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านต่างหลายจะได้ฟังการกล่าวทำมีกถาคือถ้อยคำอันประกอบไปด้วยธรรมอันเป็นคำสั่งซ้อนในทางพระพุทธศาสนาแล้ว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 ถ้ามีกราทในวันนี้มีหัวข้อที่จะนำมากาล่าวโดยมีหัวข้อว่าอุตริมนุ ษ, ษธรรมดาบสองคมในทางพระพุทธศาสนาใ <c oughs> ครเดนทางหลายได้วางใจเป็น ก, กลาง ตั้งใจฟังโดยยังไม่ต้องเชื่อก็ได้แต่ก็จะพึงปฏิเสธอุตวิมนุสธรรมดาบสองคมของพระพุทธศาสนานี่คือเรื่องที่จะน้ำมากาักกลามอุตวิมนุสธรรมเป็นคำพูดเฉพาะในทางพระพุทธศาสนาแปลว่าทำอันยิ่งสำหรับมนุษย์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 ด้วยเห็นนี้ในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าของเราท่านจึงมองไปไกลมากได้ ว, า, วางหลักบัญญัติพระวินัยขึ้นมาคือถ้าภิกษุมาบวชในศาสนานี้วด อ, อุตริมนุสธรรมที่ไม่มีจริงโดยเจตนาปรัถนาลาโมกวังลาสกละเสียงเยินยอหลอกลวงชาวบ้านให้ลงกลลงเชื่อ ในสิ่งที่มันไม่เป็นจริงที่ตนเองเป็นไปไม่ได้ให้เขาลงเชื่อให้เขาเคารพนำลาบสกระเสียงเยินยอดทั้งหลายมากราบไหวบูชาถวายท่านพระพุทธเจ้าองเ์คริวายยอดแห่งมหาโจรในโลกเทวโลกผมมโลกมารโลก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 ถ้าอวดโดยตนไม่มีคุณวิเศษอย่างนั้นจริงคือหลอกลวงเขา่อมตองอวิปรารชิกหาจากความเป็นภิกษุแต่ถึงแม้ว่าจะได้บรรลุ ค, คุณวิเศษนั้นจริงๆถ้าพูดอวดหรือบอกกล่าวแก่ชาวบ้านหรือผู้อื่นผู้ใดที่ไม่ใช่ภิกษุหรือภิกษุณีก็ไม่พ้นความผิดเพียงแต่เบาลงมาหน่อยเป็นอบปราชิตี เมื่อสองสามวันก่อนมีโยมมาหาจากจังหวัดจันทบุรีในขณะที่โยมมาก็พอดีภิกษุพระฝรังสึงมาจากอเมริกาอยู่ที่วัดมาเจริญสมาธิภาวนามาศึกษาทำวิยัยถ้าก็ตั้งใจของท่านบวชอยู่ที่วัดปานานาชาติ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 ฉันข่าวเนี้ยวันละครั้งเดียวในภาชนะอันเดียวอาหารตามมีตามเกิดมึนกับพวกเหลานี้แหละโอแล้วเขาก็ถามต่อไปว่าเป็นยังไงการปฏิบัติอาตมาก็บอกว่าปฏิบัติ ด, ดีดีกว่าพระไทยเราหลายลูกพอเราตีละครั้งขึ้นมาพระฝรั่งก็ต้องตื่นขึ้นมาตีสองก็ตีสองเหมือนกันนั่งสมาธิจนสว่างพระไทยนียนไทยของเราง่วงสปงกสปงบ แต่ฝรั่งก็ยังประคองสติมั่นคงโยบไม่ค่อยม่วงและมีความเคารพทำวิในอย่างมากว่าง่ายสอนง่ายแม้ท่านจะเป็นชาวต่างชาติท่านก็อุตส่าห์คน้นขวายและโยงกระถางลงไปอีกถามคล้ายๆว่าเคยคงเคยจะเป็นคนที่เคยบวชมาก่อนไปยังไงปฏิบัติถึงฌานไหมพวกฝรั่งนะถึงฌานไม่ไปได้ถึงอริย ญ, ญาณไหม อาตมาเขาบอกว่ถ้าอย่างนี้ก็ขอร้องว่าอย่าได้ถามกันเลยแต่ไปถามพระพุทธเจ้านี่นก็สั่นหัวเอกแหละเรื่องชาติเรื่องสมาบัติเรื่องอภินญญาอย่างนี้มันมินเมนะเป็นการอวดถ้าหามีจริงพูดออกไปกับโยมซึ่งเป็นคนธรรมดาพระพุทธเจา้าท่านก็ปรับอาบัติป่าจิตตี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 นัชชาวัสโลหิตนัชชาโหติภามิโนณัชชากรรมิโนโหตินัชชาโหติกรรมิโนจะตําชาเลวสามจะประเสริฐสูงส่งอยู่ที่ชาติกําเนิดก็หาม่ได้จะประเสริฐสูงส่งหรือจะต่ําชาเลวสามก็อยู่ที่การประพฤติการปฏิบัติหนหลักเกณฑ์หลักการของพุทธศาสนาจะได้ถามด้วยว่าท่าน ดีแค่ไหนเก่งแค่ไหนได้ถึงฌานไม่สมาบัติไหมได้ถึงมาถึงผลมาอย่างนี้มันพูดกันไม่ได้ดอกถ้าจะถามอย่างนี้ก็มาบวช ด, ด้วยกันมาและก็มาปฏิบัติด้วยกันอาตมาก็พูดอย่างนี้ตาปดไปโยมก็เลยห <c oughs> ยุดเพียงแค่นั้นเดี๋ยวนี้มันเป็นกันมากๆเลยนี่โยมมักจะมาเที่ยวดูบางคนก็มาลักษณะว่า พระนี่ปฏิบัติดีแค่ไหนสมควรกรบพรวนไวหวเรียนก็เป็นสิทิของโยมจีดออหกแต่เราจะรู้ได้ยังไงว่าท่านดีท่านช่วยยังไงเพราะมันเรารู้ไม่ได้ว่าท่านจะดีจะช่วยยังไงยิ่งพระอยู่ในป่าในดงด้วยะเราไม่ได้มา น, นอนเฝ้าท่านโยเห็นว่าท่านไม่ดีดูอาการกิริยาภายนอกไม่น่าเหลื่อมใสจะไปจะมาจะพูดจะจากระโดกโปกเป๊ะอะไรต่างๆ อุปนิสัยวานสนาของท่านก็จะตั้งเงี้ยตั้งงอนมอไม่เคารพไม่เลื่อมใสซะแล้วบางทีดูภ่างนอกเรียบร้อยเหมือนผ้าพับไว้แต่โยมก็เข้าไม่ถึงจุดตีเรื่องของพระของเจ้าพระพุทธเจ้าว่ า, าวน้ําตื้นเงาลึกก็มีน้ําลึกเงาตื้นก็มีผลไม้สุกนอกดิบในก็มีผลไม้สุกในดิบนอกก็มี สมณะาพามบางจำพวกเหมือนผลไม้สุกนอกดิบในเหมือนน้ำเตือนเ ง, นงาลึกจะเดินจะเฮินจะไปจะมาจะคูจะเหยียดจะกมจะเงยจะกล่กกกาวไปข้างหน้าจะถอยกลับหนุ่งสบงทรงจีว ร, รประคองบาทผาสังขาอากับกิริยาหนาเรื่มใสอินทรีย์ของท่นานสงบระงับโดภายนอก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 สกกนอกดิบในน้ำตื้นเงาลึกทิศุสมณาพามบางจำพวกวางรูปดูอาการข้างนอกเขื่อนใ ไ, ไปมาพูดจาคูเหยียดกลมเงยกระดิกพลิกแพงเสียงซ้ายย้ายขวาดูแล้วไม่น่าเลื่อมใสแต่จิตใจของท่านปล่อยวางไม่มีความยึดมั่นหรือมั่น รู้จักทุกเหตุให้เกิดทุกความดับทุกหนทางปฏิบัติเพื่อดับทุกทําให้แจ่มแจ้งซึ่งทำซึ่งประสาท ต, ตดาได้สั่งสอนไว้แต่คนภายนอกเกาะมองไม่รู้ไม่เห็นท่านกล่าวว่าเหมือนน้ําลึกเงาตื้นเหมือนผลไม้สุกในแต่ดิบนอกเหมือนกล้วยหอมเพราะนั้นโยมจะรู้ได้ยังไงแต่โยมทุกวันนี้มักจะไปตั้ง รอริยะให้แก่พรสงฆ์เจ้าอาริยะแต่งตั้งอ่ะเดี๋ยวลงหนังสือพิมพ์เดี๋ยวผ่านวัวข่าวหนังสือลงวิทยุออกออกโทรทัศน์อะไรต่างๆเก็บข่าวเก็บอะไรมาช่วยกันโฆษณาประชาสัมพันธ์เกิดโคสับประมาณิกาพอใจฮือประมาณในเสียงทันโดงทันดังกันดี่าโ ย, ยงก็เห็นก็เพียงแค่นี้แหละ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 คนหนึงหลายนู่นไปกราบไปไหว้พวกแฉดินสามพี่น้องเขาก็จะว่าแฉดินสามพี่น้องที่เขาเคยกราบไหว้ดงดังนั้นแหละคือพระอาหารหันต์ที่แท้ที่จริงพระพุทธเจ้าเขาก็มองข้ามแต่ตอนหลังพระแฉดินสามพี่น้องและบริวารทั้งพันธมากราพระพุทธเจา้าเขาจึงเปลี่ยนใจว่าโอ้องค์นี้ยิ่งเก่งขึ้นไปอีก เขาไม่รู้เลยว่าพระพุทธเจ้านั่นแหละคือครูของพวกอาชดินสามพี่น้องพระพุทธเจ้าคือพระ อ, อรหันต์ที่ตแตสรู้เองโดยชอบเพราะฉะนั้นญาโยมทั้งหลายไม่มีทางที่จะรู้อย่าไปตั้งชื่อให้แกท่านแล้วในที่สุดก็จะทำให้ท่านลำบากบางทีท่านกำลังตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติทำอยู่เพื่อขูดเกาภาลนปล่อยประละวางโยมทั้งหลายก็พากันไปเฮสักก่อน ยิ่งใหญ่เลยว่าท่านเป็นพระอาาริยะพระอาหารหันต์ในที่สุดท่านก็ไม่มีเวลาแม้แต่จะกระทำความเพียงของท่านเอาไว้เอามาบางทีท่านก็หลงลืมเลิงเจิงไปกับเสียงซเซิรเซรนเยินยอที่พระพุทธเจ้าว่าเป็นคุณพลแห่งกองทัพมารที่จะทำลายจิตใจอันดับแปดอันดับเก้าลาโพสิโลโกส ก, กาโลดส ก, กาละเสียงเยินย้อนี่เป็นคุณพลอันดับแปดอันดับเก้า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 ถ้าท่านทำสํารวมศีลทำท่างด ง, งามยิ่งให้ท่านไปขันเจมังสวิรัตกาไปอีกก็โอ้ยอย่าโยมทั้งหลายก็หลงหลยวันนี้คือพระอริยะเจ้าพระพุทธเจ้าว่าอระมมตังโคปณีตังพิกเวโอระมตังสีมรมมตังเยนะปุถุชนโอตถาขตสัวันนังวัมมานวัเทยยะ ดูก่อนพิสูจทั้งหลายก็เมื่อปุถุชนจะกล่าวชมเราตถาคตจะพึงกล่าวด้วยประการใดนั้นมีประมาณน้อยนักแหลยังต่ำนักเป็นเพียงสินดูอภปมัตะกังน้อยนักพระพุทธเจ้าของเราว่าโอรมัตะกังต่ำนักสีระมตะกังเป็นเพียงสินเท่านั้นหมายว่าเขาเห็นระเบียรภายนอกระนั้นแหละ ลึกมากกว่านั้นเขาไม่เห็นนี่ขนาดพระพุทธเจ้านะเขาจะยกก่องฟังและเสริมเขาก็ดูที่เพียงเปลือกนอกๆข น, นั้นคนอื่นก็ทำได้แบบนี้คนก็หลงหลายนั่นแหละฟังให้ดีๆว่ากันคิดท่านบวาอัติพิกเวอันเยวะธรรมมาคัมพีราทุตถาธุรานุโพธาสันตาปเิตาตากวิจรา นิปุนาบันดิตะเวทนิยาดูก่อนพิสุตตังไล ย, ยังมีทาอย่างอื่นอีกแล่ที่ลึกซึ้งรู้ตามได้อยากสงบปราณี จ, จะขาดคเนเอาไม่ได้ละเอยียรู้ได้เฉพาะบันดิตซึ่งตทาคตทําให้แจ้งแล้วด้วยปัญญาสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งเม่ว่าทําอันอื่นเรีวยกว่าอภิ ทิเคเวอันเยวะธรรมมาอย่างมีอี้ทำอันอื่นที่ยิ่งไปกว่าภายนอกที่มองเห็นคำพีลาลึกซึงมากทุกตสาเห็นได้ยากกรานุโพธารู้ตามได้ยากสั้นตาปณีตาสงบปานิจอตกาวิจราระไม่ใช่วิสัยที่จะมาคิดมาเดามาคาดคะเนอวา่าควรจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้น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 อาตมาได้ยินข่าวครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังคนเขารบนับถือทั่วทั้งประเทศอุ้ยดีใจดีใจแสนจะดีใจอนุโมทนาสาธุการบัตรนี้พุทธศาสนาเรามีสังขาอนุภาพขึ้นแล้วมีอนุภาพอำนาจแห่งประสงค์โน้มน้าวจิตใจคนหลั่งไหลเชื่อฟัง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 หวังว่าท่านจะได้ช่วยส่วนมากถ้าเธ อ, อไปกับเรื่องฤทธิ์เรื่องเดชเรื่องอุตริมนุสษษธรรมนี้มักจะตัดหนทางตนเองไม่อยากจะภาคเพียรปยายามประพฤติปฏิบัติตามฝากความเชื่อไว้หวังว่าท่านปุณ น, นั้นจะช่วยเหลือตอนนี้แหละที่มันเสียหายที่สุดในที่สุดอาตมา ก, ก็รู้สึกเป็นห่วงนักก็ไปสมัยก่อนนายนิกรธรรมาวาทีโดง่งดังขึ้นมาแม้มีความรู้สึกชื่นชมอยู่ลึก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 ยิงเห็นคนเขาลบเลื่อมใส่เหยแยงกันไปมากๆนี่มันมีทั้งบวกทั้งลบมันเป็นดาบสองคมเหมือนกับว่าพวกเราหากันฝากชีวิต จ, จิตใจฝากความหวังฝากศ า, ศาสนาไว้กับคนหนึ่งคนเดียวกับท่านผู้นัน้นถ้าหากท่านผู้นั้นเป็นอะไรไปหรือว่าล้มหายตายไปบางทีท่านไม่ตายท่านมีอะไรล้มละลายไปกับทางอัศธรรมเราก็อาจจะไม่เชื่อว่าเป็นไปไม่ได้ เขาใจผิดเป็นทางอื่นคนอื่นเหมืองกันมาแกล้งอะไรพวกนี้ในที่สุก็ไม่ยอมเลื่อมใสไม่ยอมเขารบพระทรงองค์เจา้จาองค์อื่นองค์ใดนอกจากท่านโพนิปิดหนทางแกะตนเองปิดหูปิดตาตนเองศรัทธาที่เฮิร อ, อมกันมากมนี่พระพุทธเจ้าว่าหมือนคนมีตาข้างเดียวไม่มีตาอะไรเมื่อตาเดียวนี่มันบอดไปแล้วตาใหม่ที่เคยเป็นอะไรไว้มันไม่มีมันก็ดับตะเกียงตนเองเลย เพราะนั้นจะต้องเมื่อมันเป็นไปแล้วศราก็หดปัญญาก็หมดไปด้วยถ้าศราก็หดยังไม่หมดปัญญาก็ยังชั่วหน่อยเพราะเหตุนั้นเมื่อใดได้ข่าวพระสงฆ์องค์เจ้าที่มีชื่อเสียงโด่งดังคนหลังหลายไปเขารบบูชากราไว้ให้ความดีใจปลื้มใจแทนพระพุทธเจ้าปลื้มใจในฐานะที่เราเป็นพระสงฆ์ด้วยกันในฐานะที่เราเป็น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 แห่กันไปเหอกันไปนั้นจะไปปฏิบัติธรรมหรือเปล่าหรือเพียงไปแห่เฉยๆอยู่ตัว น, นี้ละปิดประตูแห่งความเข้าห้งหน้าทางจิตใจยิ่งมากันโฆษณาช่วยว่าท่านเป็นผู้มีฤทธิ์มีเดชเป็นผู้มีธรรมอันสูงส่งอุต ร, ริมนุษธรรมขึ้นมาโดยท่านก็ไม่ได้พูดอะไรแต่พวกเราว่ากันเองอยะตยโย่ากันเองตัวเนี้ยน่าเป็นห่วงมาก ถ้าพุทธเจ้าของเราท่านเป็นห่วงพุทธศาสนาวางระบบแห่งวินัยเรื่องอุตริมนุษสธรรมนี่เหมือนดาบสองคมทำอันยิ่งถ้าหากมีจริงอวดไปต้องอาบัติปราจิตีถ้าหากไม่มีจริงอวดไปก็ต้องอาบัตปราชิตพ่ายแพย้ตายจากศาสนาความจริงถ้าพูดแบบสามัญสำนึกปุถุชนก็ไม่น่าจะมีอาบัติ ถ้ามีจริงก็แสดงออกมาเลยคนจะได้อัศจรรย์ล่นเลื่อนทั้งแผ่นดินเขาจะได้หลังไล่ไปเขาลบไปกราบไหวจะได้เกิดศักดิ์ศรีดิกดดีดกแก่พระพุทธศาสนาเกียรติภูมิของพระพุทธศาสนายิ่งขึ้นแต่ในทางตรงกันข้ามลึกๆมันกลับไม่เป็นเช่นนั้นด้วยเหตุนี้พุทธเจ้าจึงปรับอาบาาัตปาจิตติสำหรับผู้ที่อวดฤทธิอวดเดชกับคนทั่วไปอวดเรื่อง สมาธิฌานสมาบัติมากพ้นท้ามีจริงผู้กับคนทั่วๆไปเป็นครวาดซึ่งยังไม่ได้เป็นผู้บวชเป็นพิสุท่านประอวิประจิติต้นเหตุที่จะให้มีพุทธบัญญัตินี้เกิดจากในข่าวทุกพิกภัยในสมัยพุทธเจ้าเกิดฝนแรงข้าวอย่างมากแพงพิสุพวกหนึ่งคิดหาอุบายจะให้พวกตนมีอาหารฉัน โดยแม่ลำบากจกีงกล่าวสเสริเสริญกันอะกันให้ชาวบ้านฟังตามที่เป็นจริงบ้างไม่จริงบ้างท่านผู้นั้นได้ฌานท่านผู้นั้นได้สมาบัติท่านผู้นั้นมีอภิน ญ, ญาหูทิพตาทิพลบนั้นเป็นอย่างนั้นบุกนั้นเป็นโซดาบันลลบนั้นสะเกาคาลบ น, น, นาาอาคาอลาหันยกย่องกันไปยกย่องกันมาให้คนอื่นทั้งหลายลงไหลในที่สุด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 ไม่ใช่ในโลกนี้อย่างเดียวนะจะบอกว่าเป็นมหาโจรยอดแห่งมหาโจรในโลกในเทวโลกมาละโลกพร ม, มโลกหลอกท้งมนุษย์เทวดามารพรมไปหมดเลยเพราะเหนั้นจึงเป็นสิ่งที่น่าคิดพุทธบัญญัติอีกข้อหนึ่งที่อยู่ในยมพวกวออุตลิมนุสธรรมสิขกขาบทไม่ให้พิสุแสดงอิทธิปฏิหารแก่ชาวบ้านพิษุใดสแสดงพิสุนั้นมีความผิดต้องอาปาตทุกขก์ วินัยพิดกเล่มที่เจ็ดข้อที่2ีสิบเก้าถึงข้อที่สามสิบสามหน้าที่สิบสองถึงสิบกท่านได้พูดถึงเรื่องนี้ในเรื่องพระปินโทละพาระทาวาชะเกตเกิดจากเศรษฐีท่านหนึ่งเศรษฐีสัพดีสัพดนเอาบาดไม้จันมกแวนไว้ที่ปลายไม้ไผ่แล้วประกาศท้าพิสูจน์ว่าใครเป็นพระอรหันต์ตัวจริงมีฤทธิ์จริงก็ขอถวายบาดนั้นแต่ให้หอกไปเอาลงมาเอง พวกนักบวช น, นอกศาสนาะหาเลขคนที่จะเอาบาตรทำยังไงก็ไม่ได้พระปินโทระพารถวาชะได้ยินคำท้าประสงค์จะรักษาเกียรติของพระพุทธศาสนาะจึงห่อขึ้นไปเอาบาตไม้จันทร์ลงมาทำให้ชาวเมืองตื่นเต้นเลื่อมใสกันมากพระพุทธเจ้าทรงทราบทรงบัญญัติสิข่ขาบทนั้นห้ามโดยทรงตำหนิว่าไม่สมควรแสดงอิทธิปฏิหารซึ่งเป็นธรรมอันล้าสามันมนุษย์ พราะเห็นแก่บาทอันเป็นของมีค่าต่ำทรงเปรียบการกระ ท, ทําเช่นนั้นว่าเปรียบเหมือนสตรีที่เผยเอวัย ว, วะเพศอันพึงสงวนให้เขาดูเพราะเห็นแก่เงินแก่ทองของต่ําสามท่าน อ, องค์นี้ไปเอามาพระพุทธเจ้าเอาบาทมาทุบทิ้งเลยแล้วก็แจกเพื่อนเพราะว่าการกระทําของเธอเหมือนมาตุคามเปิดของลับ เราเอาเงินบุลดไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์อันยาวนานแกมหาชนไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์แกพระธรรมถ้าคนธรรมดาฟังแล้วก็คงจะเป็นห่วงว่าเอ๊ะทำไมพุทธเจ้าห้ามตามเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นเีตผลส่วนที่ปรากฏชัดซึ่งพระพุทธเจ้าทรงปรารถกก่อนที่จะทรงบัญญัติศคาบทเหล่านี้ก็คือเป็นการไม่สมควร ที่จะอวดคุณความดีความเก่งกาจาสามารถพิเศษขอนกลเพระเห็นแก่ลาบสกาักกะละหรือประโยชน์ต่างๆแต่ในเวลาที่ทรงบัญญัติจริงปรากฏว่าทรงเปิดกว้างให้สิกขาบท น, นั้นมีขอบเขตครอบคุมเหตุจูงใจทุกอย่างไม่จเฉพาะการอวดหรือแสดงเพระเห็นแก่ลาบสกาักกะละและผลประโยชน์ที่จะได้เท่านั้นไม่มีความหมายลึกกว่าลาบสกาักกะละและผลประโยชน์ที่จะได้คอยเข้าใจให้ให้ให้ให้ใหใหดีๆ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 แม้ว่าพิสุรูปใดรูปหนึ่งหรือบางหูบเก่งกล้าสามารถหรือบรรลุธรรมวิเศษความสัมพันธ์ของท่านกับประชาชนก็จะแสดงออกทางสงหรือผ่านสงให้สงมีส่วนร่วมในผลสําเร็จของท่านด้วยคำที่พูดนี้พอจะมองเห็นไม่ยากในกรณีนี้พิสุรูปหนึ่งมีความดีความงามความสามารถพิเศษถ้ามีความดีความงามคสามารถนั้นเป็นไปในฐานะที่ท่านเป็นพิกษุรูปหนึ่ง ผลได้ที่มีมาถึงพิกษุรูปนั้นจะมีมาถึงสงทั้งหลายด้วยหรือสงจะมีส่วนได้รับด้วยสงจะเจริญงอกงามไปกับพิกษุรูปนั้นไปในทางตรงกันข้ามถ้าความดีงามความสามารถของพิกษุนั้นสแสดงออกในฐานะของบุคคลผูน้นี้ชื่อนี้โดยเฉพาะกลุ่มนี้โดยเฉพาะเอาง่างยๆเนี่ยธรรมะเนี่ย สมมุติว่าอาตมาเด่นดังขึ้นมานะอย่าให้ดังก็แล่นสมมุติว่าอาตมานี่เด่นดังขึ้นมาคนทั้งหลายก็หลังไล่กันมาฮะอาตมาแล้วก็มาติดแงะอยู่ก็อาตมาเนี่ยเป็นการดังเฉพาะบุคคลขึ้นมาทีนี่ความดังนี้ไม่ได้ผ่านทัสเฟลตไปจนถึงหมู่สงฆ์วาอันนี้เกิดมาจากธรรมธายาผู้รับมรดกทางธรรมท่านบุญนี้เป็นธรรมสเปนนาเป็น พลคัตธรรมเสนาเป็นกองทหารแห่งธรรมส่วนหน้าของกองทัพธรรมเป็นขุนพลแห่งกองทัพธรรมบนพื้นแผ่นดินนี้บนมุมนี้จุดนี้เป็นหนึ่งในภิกษุสงฆ์ตั้งหลายที่ช่วยกันรักษาพระพุทธศาสนาอย่างนี้ถ้าท่านเข้าใจอย่างนี้โอเคมีประโยชน์แก่พระศาสนามากแต่ท่านมาติดงแค อยู่ที่อาตามานี่เหมือนกับว่าพระสงฆ์ทั้งหลายในโลกนี้ไม่มีใครดีเมือกับอาตามาเลยอาตามาพูดนี้เท่านั้นแหละที่จะรักษาพระศาสนาถ้าเกิดตายไปละ่ะอาตามามีอายุไม่ถึงสา0ร้อยปีนะร้อยปีก็ไม่ได้เดี๋ยวนี้ก็รอวัดอยู่เพื่อกันว่าจะอยู่ไปกี่วนัน เพราะว่ามันซึกซนหมดแล้วสุขภาพทํางานทําการมากแก่ประสาตนะฟังเสียงดูอยู่แต่นี่ทางคอจะรู้เสียงก็จะไม่มีหรือจะพูดคอจนแหบจนเครือหมดแล้วเขาเที่ยวไปแสดงธรรมถ้าคุณงามความดีความสามารถนั้นเป็นในฐานนะที่เป็นพิกษุรูปหนึ่งผลที่ได้มีมาถึงพิสุรูปนั้นก็จะมาถึงสงด้วยหรือสองจะมีส่วนได้รับผลด้วย ตรงจะเจริญงอกงามไปกับภิกษุรูปนั้นนี่นะฟังให้ดีแต่ถ้าในทางตรงกันข้ามกลงงามความดีความสา ม, มารถของภิกษุรูปนั้นหรือของอาตมาเนี่ยแสดงออกมาในฐานะของบุคคลผู้มีชื่อนี้โดยเฉพาะหรือเป็นท่วกกลุ่มนั้นกลุ่มนี้โดยเฉพาะภิกษุนั้นจะเจริญเติบโ ต, ตขึ้น แต่เป็นความเจริญเติบโตส่วนตัวหรือเฉพาะกลุ่มของตัวที่บันรอนให้ทรงสูบโซมอ่อนแอลงช่วยฟังให้ดีนะอุตริมนุษธรรมนี่มันมีผลทั้งบวกทั้งลบเพราะเหตุ น, นั้นพระพุทธเจ้าจึงวางบทบัญญัติเกี่ยวกับอุตริมนุษธรรมนี้ไว้ไม่ใช่เบาเลยท เ, เดียว ถ้าไ ม, ไม่มีจริงต้องปราช็กถ้ามีจริงอวดทั่วไปต้องปะจิตตีเพราะจะไปบั่นทอนซาตนาให้ทุขโทมลงอัตมาก็ไม่อยากจะยกตัวอย่างใครยกตัวอย่างอัตมานี่แหละถ้าอัตมาโด่งดังท่านดังไรก็หลังไรมาว่าแต่อัตมานี่แหละดีดีดดองค์อื่นที่ดีกว่าอัตมาเนี่ยมีอีกเยอะแยะเลย กำลังประพฤติปฏิบัติเข้มอยู่กำลังพยายามภาคเพียรเพื่อจะทําลายอาสวะกิเลสตรงไปตรงมาต่อสินต่อธรรมแต่ท่านเหล่านั้นไม่แสดงออกอุตตริมนุสธรรมไม่มีใครรู้ท่านแต่อาตามานี่กลับไปบทบังท่านเหล่านั้นยาโยงก็หลั่งไหลเอาแต่ของมาถาวายอาตามามาเหอกันมาแห่กันอยู่ตรงนี้ในที่สุด พวกที่มรรคลาบสักลาทังหลายก็อาจจะหลั่งไหลมาอยู่กับอตาตมานี่มากขึ้นเป็นกลุ่มเมื่อเป็นกลุ่มขึ้นความเจริญเติบโตลาบสักลาสียงเยินยออะไรต่างๆก็จะมาเกิดขึ้นเฉพาะส่วนนี้เป็นกระจุกอาตมานี่ภิกษุกลุ่มที่อยู่กับอาตมานี่นิกายนี่คณะนี่ก็เจริญเป็นกลุ่มโดยเฉพาะส่วนกลุ่มนี้ ในขณะเดียวกันก็บั่นทอนตัดรอนให้สงโดยทั่วๆไปซูบโสมอ่อนแอลงทไให้ญาติทั้งหลายมองข้ามพระสงฆ์ทั้งหลายต่อไปก็มาติดแงกอยู่ที่นี่และอย่าลืมว่าตมาจะต้องตายในเวลาไม่เกินร้อยปีสงที่จะยังอยู่รักษาพระศ า, าสนาเป็นหมู่เป็นคณะจะต้องยังอยู่ต่อไปเพรา ะ, ะนั้นพระพุดธเจ้าของเราท่านกนเลยปราบอบัด ปจิติผู้ที่อวดอุตริมนุษยธรรมที่มีจริงแก่คนทั่วไปเพราะฉะนั้นการอวดคุณวิเศษของพิษุย่อมทำให้ประชาชนรวมจุดความสนใจไปที่พิสุนั้นและกา็หาันไปทุ่มเทความอุปถัมภ์บำารลงให้ในเวลาเดียวกันสงจะด้ความต้องัารลงอาเบอามาพระรง์หมู่ใหญ่ที่เป็ น, นรัตนูห่วงการผ่านใบพระเทระถึงเคยสร้างคุณงามความดีอะไรมาม า, มากเนี่ย โยมญาติโยมทั้งหลายก็มองข้ามกันไปหมดเลยไม่มีใครดีก็จะมาดีที่อาตามานเนี่ยด้วยความต้องขันลงไปอีกเลยองค์อื่นผ้าอื่นผู้หลักผู้ใหญ่พี่ ส, ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้รับความเอาใจใส่าขาดผลได้และสองส่วนรวมก็จะอ่อนกําลังลงด้วยภายในก็มีแต่องค์นี้แหละองค์อื่นก็อ่อนกําลังโลกอ่อนกําลังลงสมส่วนใหญ่ด้วยเหตุนี้ท่านทั้งหลายต้องมองต่อไปว่าเมือ่อ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 เด่นและความสามารถพิเศษของท่านปรากฏเป็นที่รู้ขึ้นและในเมื่อความสนใจต่อตัวท่านเปลี่ยนจากความสนใจในฐานะพิสูรรูปหนึ่งกลายมาเป็นไปเป็นความผูกพันในตัวบุคคลพร้อมกับมีลาภผลสักหละติดตามมาตัวท่านกลายเป็นที่รวมความสนใจแทนสงแทนที่จะมาสนใจกับสงให้ความต้องกาหมู่สงกลับมาสนใจกับท่านรวมลงที่ตัวท่านอย่างนี้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 แล้วก็ยังมีในองัององัองอังอังคุตนาการากถาพอจะหาได้พระ อ, อิสิษั์ตะเนี่ยพระมหักะเนี่ยอิสิษฐ์ตระในบวชพรรษาเดียวนะเป็นพระอรหันต์แล้ววันหนึ่งจิตใคขึ้นหาบอดีนิมนต์ไปฉันในบ้างกับพระเทระไปจํานวนมากจิตใคขึ้นหาบอดีนี่เป็นคนแตกฐานเป็นนักเทศที่โดองดังเป็นอุบาสกที่เป็นนักเทศแล้วก็เป็นอนาคามี พอฉันเสร็จทางเก่อสนทนาธรรมต่างก็ถามปัญหาพระเทระถามอย่างละเอียดอย่างลึกซึ้งพระเทระตอบไม่ได้นั่งนิ่งพระอิสิาตาต้าซึ่งบวชพรรษาเดียวแต่ก็เป็นพระอรหันต์หาอรหันต์ที่รู้เรื่องด้วยปัญญาด้วยท่านก็เลยขออนุญาตส่งตอบพระผู้ใหญ่ก็อนุญาตท่านก็ตอบทุกขั้นตอนจนในที่สุดจิตตาคือหาบอดีผู้ปาดเปืองนี่ก็จน ม, มุม เมื่อถามเรื่องสัญญาเวทยิตติโลดถามเรื่องการเข้าการออกสัญญาเวทยิตติโลดและก่อนจะเข้าเทืมจิตยังไงอะไรยังไงในที่สุดท่านก็บอกว่าคำถามนี้น่าจะได้ถามก่อนกลับมาถามทีหลังถ้าจะพูดต่อไปอีกก็คงจะไม่รู้เพราะว่าภูมิทมคนละชั้นกันแล้วอีสิทัตตาท่านเป็นพระอรหันต์แต่จิตตะคือหับอดีเป็นอนาคามี เกิดความทึ่งในปัญญาของท่านเลื่อมใสถามว่าท่านบวชนานในอย่างพานสาเดียวยิ่งมีความเลื่อมใสถามเบธมาก็เป็นเพื่อนกันเป็นอาทิตย์ถัดสหายที่ไม่เคยเห็นพ่อแม่ตั้งให้อยู่คนละเมืองในที่สุด ก, ก็เลื่อมใสมากถึงขนาดว่ามอบวัดอัมพาตกาวันมัชกาสนนิให้ให้ท่านรับจะอุปถัมคำจุน อย่า ง, งาดีงามโดยปัจจัยสี่มอบวัดให้เลยสร้างวัดมอบเลยท่านก็นิ่งแล้วก็บอกอนุโมทนาที่ท่านตวายให้ในกลางคืนท่านก็เก็บบาตรเก็บจีวรเก็บบริขารห น, นีจากอัปภากรกตะวันไม่ปรากฏเห็นโฉมหน้าท่านเอกเลยในพระเจ้ปีตกนี่องค์หนึ่งอีกองค์หนึ่งก็พระมหากะพันสาเดียวเป็นพระอรหันต์ที่เก่งดวยฤทธิ์ก็ไปเจอกับ จิตตะคือหาบอดีที่นิมนต์ไปฉันที่บ้านจิตตะคือหาบอดีนั้นดังกล่าวแล้วว่าเป็นอนาคามีท่านมักจะแสะดงธรรมให้พระทรงองค์เจ้าฟังจนเข้าใจมีปัญหาท่านตอนพอนิมนต์พระไปฉันที่บ้านนันก็จะนิมนต์พระแสดงธรรมหรือมิเช่นนั้นทางก็สนทนาธรรมเป็นการแสดงธรรมแบบปุจฉาช่วยกันให้คนเข้าใจธรรมะแต่วันนั้น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 แล้วก็ลมอ่อนๆพัดมาฝนมาเมล็ดทางห่างไม่ทางห่างตกมาจะดีไหมครับพระผู้หล่าผู้ใหญ่บอกโอ้ดีสิท่านดับเป็นอย่างนั้นท่านก็จัดการเลยบรรดาลอิฐาภิสังขารทันทีเลยเดินตามหลังบรรดานอิฐาภิสังขารด้วยลทธิของท่านทําให้เมฆคลึงมาบดบังแสงตะวันที่แผดกล้าและก็สายลมอ่อนๆพัดโชยมา ผลไม่ทางหางปกลองท่านก็ถามว่าขนาดนี้พอไหมครับพระผู้เราผู้ใหญ่ก็โูดเออพอพอพ อ, พอดีแล้วส่วนจิตาขึ้นหาบดีที่เดินถือห่อของตามหลังส่งนี่ก็เกิดความขนลุกสู้ซ่าไม่เคยเห็นแมมท่านนี่เก่งจริงเลยพอกลับไปถึงวัดเกาะตามไปส่งทั้งกุฏิถามท่านบวชมานานเลยอย่างพรรษาเดียวพรรษาเดียวท่านเก่งขนาดนี้ท่านเดบทำบรรนานอิจฉาพิสังขารผมได้บูชาแล้วผมอัศจ ร, รันย์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 ในคืนนั้นท่านก็เก็บบาทเก็บทีวอเก็บบริขารของท่านออกจาโมชิกาสนอัมพากระตะวั่นหายเงียบไม่ปรากฏโมหน้าอีกเลยในพระแตปีดกนี่แสดงให้เห็นว่าในสมัยพุทธกาลน้ยพระอาหารหันต์จริงๆท่านไม่ต้องการให้ใครมาติดท่านดอกกลัวว่าเมื่อมาติดกับท่านแล้วก็ปิดความเลื่อมใสในพระสงฆ์ทั้งหลายต่อไปความเจริญเติบโตทางลาบสะกะละก็จะ จะเจริญขึ้นเฉพาะตัวท่านเองและก็กลุ่มของท่านหมู่คณะของท่านในขณะเดียวกันสงทั้งหลายส่วนรวมก็อ่อนแรงลงสูกโทมลงแานเป็นไปเช่นดีเป็นไปเพื่อบรรทังกําลังสังขานุภาพที่เรียก ว, ว่าสัพพสังขานุภาเวนะอนุภาพแห่งสงทั้งปวงเดีนี้มัน อ, นอนุภาพสององค์เดียวเท่านั้นในที่สุดท่านผู้นี้ก็จะตายไปอายุ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 และชาวบ้านผู้ไม่รู้ไม่เข้าใจก็จะเกิดเปรียบเกิดเทียบเกิดความรู้สึกดูถูกดูแคลนท่านอื่นกลุ่มอื่นอย่างถูกต้องบ้างอย่ง า, างผิดพลาดบ้างเป็นโทษแกต่ตนเองบ้างเป็นโทษแก่พระศาสนาโดยส่วนรวมความข้อนี้สัมพันธ์กับข้อต่ อ, ต อ, ตอไปและเมื่อมีการอวดกันได้เอาละสิทีนี้ไม่เฉพาะท่านที่รู้จริงได้จริงเท่านั้นที่จะอวดท่านที่สําคัญตนผิดก็จะอวด แต่ที่ร้ายแรงยิ่งกว่านั้นก็คือเป็นช่องให้ผู้ที่ไม่ละอายทั้งหลายพากันช่วยโอกาสวดกันวุ่นวายช่วยกันโคชนะประชาสัมพันธ์ทางสื่อมวลชนทางไม่์สปีดี่มทางโทรทัศน์ทางหนังสื อ, อช่วยกันตั้งกองเสียขึ้นเสียกันนนผู้แทนหาเสียงอย่างนี้แหละก็ต้องหาหัวคะแนนหาอะไรมาช่วยที่จะทำให้ดีนะในที่สกว็วุ่นไวายไปหมด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 ระดับโลกีผู้ทุชนตั้งหลายมีความพอใจดิยมชมชอบต่างๆกันตื่นเต้นในต่างสิ่งต่างระดับกันและผู้ดิบรัรลุทมวิเศษก็มีบุคลิลักษณะคุณสมบัติและความสามารถด้านอื่นๆต่างๆกันไปมิใช่จะมีคุณสมบัติที่พร้อมที่จะเป็นผู้นำตามรอยบาของพระสาทธษาได้เหมือนกันบางท่านบรรลุธรรมวิเศษแล้วพูดสอนอธิบายธรรมะไม่เป็นเลย ขายกับพระปเจกกับพุทธเจ้าสู้แต่พระพหุสูตรที่ยังไม่บรรลุก็ไม่ได้อย่าลืมนะพระพหุสูตรที่เรียนทรงจำ ม, มามากคล่องปาเกียนใจอธิบายธรรมะละเอียดอุย้ยพระอรหันต์จริงๆกับบางองค์อธิบายไม่เป็นเลยก็มีเทียบได้กับคนที่ได้ไปเที่ยวทิ้นห่างไปเห็นมาด้วยตนเองกลับมาแล้วบางคนพูดคุยเล่าให้คนอื่นฟัง ไม่จับจิตไม่จูงใจส่วนบางคนไม่เคยไปเล ย, ไ ม, เ ย, ไ, เลยไม่เคยไปเลยจริงจริงจรจงเคยอ่านแต่นังซื้อดูแต่แผนที่แต่เล่าได้เป็นคุ้งเป็นแควหน้าตื่นหน้าเต้นเหมือนอย่างครูบางคูคูบางท่านสอนวิชาโภมิศาสตร์เมืองฝรั่งเก่งมากเลยทั้งที่ตนเองไม่เคยไปแต่บางคนไปอยู่เมืองฝรั่งตั้งหลายปีมาสอนก็ยังไม่เก่งเท่ากับผู้ที่ไม่เคยไปแหละก็มีอย่างนี้ี่ย หรือในด้านบุคลิกลักษณะบางท่านสำเร็จอริยพผล์แล้วก็จริงแต่รูปร่างไม่ชวนเลื่อมใสเช่นอย่างพระอรหันต์ในสมัยพุทธกาลชื่อว่าละกุณตะตะกตพธิยะมีรูปร่างเตี้ยๆตี้ยค่อมพอมถูกพระนมเน้น้อยคอยล้อคอยเลียนเย้าแย่อยู่เสมอจนพระพุทธเจ้าต้องมาช่วยอนุเคราะห์ท่านปุนี่รูปร่างเตี้ยเเป็นคนแค่แต่เป็นพระอรหันต์นะ บันลือสีห น, น้าเนียอ้ยเก่งแต่เวลาท่านม า, าพระที่ไม่รู้พระพุทธชนเอามือรวบหัวเขาใจวัาเน้นทรัพย์มากาะความงงมังเงกาน่อยบย่อจะซืบะลาป่ะสนแค่นหน่อยเขาอยู่่บลาอุ้ยเป็นทหา ก, หตากแต่หัวใจเปตนทรัพมกอะแต่ป้อกรดเด้อพระอรหันทกเล่นหัวเล่นมัเงกเนยใหญ่ก็มาเล่นพระพุทธเจ้าก็สงสารทาเลยช่วย บอกให้ฟังวันนี้ไม่ใช่คนธรรมดานะมันลือเสียนาจิงก็ลาดศ ส, สีนะเนี่ยท่านภูมเนี่ยมีฤทธิ์มีเดชไม่เบาเลยมีสติปัญญาถึงเป็นพระอรหันต่างหลายจึงจึงรู้จึงพากันไม่ทำอย่างนั้นใครไปรู้ผ่าว่าพราะอรหันต์จริงดูเพระอรหันต์ถูกเล่นหัวสัพท์มังเงกเล่นสบปยสบายเพรา ะ, ะนั้นมันรู้กันไม่ได้เลยเรื่องภายในนอกจากผู้ที่มีภูมิธรรมเท่ากัน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 สมัยก่อนกระดังที่เราได้รู้เรื่องราวของนิกรธรรมาวาทีอย่างนี้แหละพูดแล้วก็ไม่อยากจะพูดมันชอกช้ำและกำกลมเขื่อนชาวพุทธเราเหมือนกันเอามาเป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆเท่า น, นั้นแหละทีนี้เมื่อท่านที่บรรลุจริงสอนเก่งอวดแล้วสอนบ้างท่านที่บรรลุจริงสอนไม่เป็นแล้วพูดออกมาบ้างท่านที่ไม่รู้จริง สำคัญตนผิดคิดว่าบรรลุแล้วเที่ยวบอกเล่าไว้บ้างแทนที่ไม่บรรลุแต่ชอบหลอกโูดลวงเข้าไปบ้างต่อไปหลักภัสสะณาก็จะสับสนปนเปฝั่นเฟือนไม่รู้ว่าอันไหนแท้อันไหนเทียมบางท่านมีส่วนรู้จริงในประสบการณ์บางเง่บางอย่างแต่ทําอัตตพยัญชนะให้เคลื่อนคลาดออกจากกันเพราะหย่อนความรู้ทางปริยัติ ก็ทําให้หลักธรรมสับสนเสียเอกภาพแห่งคําสอนของพระพุทธเจ้าความจริงนั้นการยืนยันความตรัสรู้เป็นภารกาิจของพระพุทธเจ้าของพระสัตตดาซึ่งเป็นผู้นําในเมื่อจะนํำทาหน้าที่เป็นผู้ตั้งพระสตราตนาปกป้องพระสตราตนานั้นพร้อมทั้งหมู่สาวกส่วนหมู่สาวกภายหลังเมื่อสมครเข้ามาก็คือยอมรับคําสอนของพระสัตตดา แล้วการยืนยันหรืออ้างอิงจิงไปอยู่ที่องค์พระสัตตะดาและคําสอนของพระองค์ความรับผิดชอบในการสอนไม่อยู่ที่อ้างการบรรลุของตอนแต่อยู่ที่สอนให้ตรงกับคําสอนของพระสัตตะดาเขาใจะให้ดีนะว่าการรับผิดชอบต่อการสอนหลักธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ใช่อยู่ที่อ้างว่าเราเนี่ยเป็นผู้สําเร็จเป็นผู้วิเศษอย่างโน้นอย่างนี้อย่า ง, งไม่ใช่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 จึงทาให้ดํำรงเอกภาพแห่งคําสอนและเอกภาพแห่งพระพุทธศาสนาทั้งหมดเอาไว้ได้เดี๋ยนี่มันไม่เป็นเอกภาพมันไม่เป็นยูนิตี้มาสิบองสอนสิบอย่างถาว่ากันตามคําสอนของพุทธเจ้าว่ากันตามพระไตรปิฎกไปจังนี่อย่างนี้อย่างนี้มันจะพีกันตรงไหนพระไตรปิฎกสี่สิบห้าเล่ม สองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบหกหน้าฉบับภาษาบาลีนั้นไม่ได้พินแปลกกันเลยมันเหมือนกันหมดแต่เวลาพระสองฆอ์จากของเรามาสอนกันมาสิบองส์นสิบอย่างตรงนี้ชาวบ้านก็ยิ่งจะสับโตนพูดให้ลึกลงไปอีกท่านว่าไม่ต้องกลัวว่าผู้บรรลุอริยะผลแล้วจะมาพูดอวดอ้างหรือเปล่าปาะกาเพราะเป็นธรรมดาของพระอริยะเจ้าทั้งหลายเองที่ว่าท่านไม่อวด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 จะมีก็แต่ผูถทุชนซึ่งได้คุณวิเศษชั้นโลกิเช่นฌานสมาบัตเป็นต้นอย่างที่พระเทวทัตเคยทำมาแต่ผู้ที่เป็นพระอริยะเจ้าชี้จริงไม่อวดกันแล้วไม่รู้เลยเรื่องที่พูดมาทั้งหมดนี่โยงไปให้คิดเกี่ยวกับสังคทานซึ่งเป็นธรรมสำคัญอีกข้อหนึ่งทานคือการให้ในทางพุทธศาสนาแบ่งเป็นสองอย่าง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 ทรงเปรียบเทียบว่าให้แกสัตว์เดรชานมีคุณความดีเป็นร้อยให้แก่พุทุชนพุทุิสินมีคุณความดีเป็นพันให้แก่พุทุชนผู้มีสินมีคุณความดีเป็นหมืน่นให้แก่นักบวชภายนอกศาสนาที่ไม่มีราคาอย่าลืมว่านักบวชนอกศาสนาสมัยพุทธกาลนู่นเขามีฌานถึงขนาดว่าเนวะสัญญานาสัญญายจสนาในศาสนาที่เขามีฌานก็ก็ข่มราคะแหละราคะไม่มี เทว่าให้แก่นักบวชภายนอกสถาณานที่ไป ม, มีราคะมีผลเป็นแสนกอดมีคุณเป็นแสนกอดให้แก่พระโสดาบันมีคุณเป็นอสังขยัยให้แก่บุคคลมีคุณความดียิ่งกว่านั้นไปเป็นอันไม่ต้องพูดถึงส่วนของที่ให้เพื่อสงฆ์ก็อาจจะถวายแก่สงฆ์สองฝ่ายภิกษุน์สองพิษุรีสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขซึ่งนับว่าเป็นสังฆทานขั้นครบถ้วนที่สดุด ถัดจากนั้นก็อาจถวายแก่สงท้อ ง, องฟ่ายในพในเมื่อพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้วตลอดลงมาถึงถวายโดยจะดภิกษุรูปหนึ่งหรือภิกษุณีรูปได้รูปหนึ่งเดี๋ยวนี้ไม่มีภิกษุณีจํานวนเท่านั้นเท่านี้จากสงมารับถวายให้สงทั่วโลกเนี่ยแต่ให้พระองค์เดียวไปรับแทนอย่างนี้เรียกว่าแทนสงเป็นตัวแทนสงโดยไม่เจาะจงว่าองค์นั้นองค์นี้หรือแม้แต่เมื่อเวลาล่วงไปนาน ทำวินเยจวนจะสิ้นถวายแก่พระสงฆ์ผู้ทุศิลปเหลือแต่เพียงผ้าเหลืองน้อยห้อยคอคนโบราณว่าผ้าเหลืองน้อยห้อยหูภาษาบาลีว่าตาสาวะกันหาปาปะสีลาผู้ผู้มีบาปทำอันลามกมีผ้ากาสาวะผันคอกาสาวะตันหาทุศีลาปาปธรรมมาโคตรละพูนโน ทิศสู่ ส, สงในหัวเลี้ยวหัวต่อเลยว่าโคตละลภูสงมีผ้าเรื่องพันคอผู้มีบาปรมอันลามกก็ยังได้ผลมากคือให้ให้ให้เป็นสงพระพุทธเจ้าวันนับประมาณไม่ถ้วนมีผลมากมายทรงสรุปว่าเราไม่กล่าว่าปฏิปุคะลิกทานคือให้แก่บุคคลมีผลมากกว่าของได้ให้แก่สงโดยปริยายใดๆเลยลองไปเปิดดู อบลิวนามนชมาในกายเล่มที่สิบสที่เรียกว่ า, าทักคีนาวิพังทักคีนาวิพังขาสาศูนข้อที่เจ็ดร้อยสิบถึงเจ็ดร้อยสิบสามหน้าที่สี่ร้อยห้าสิบแปดถึงสี่ร้ยหกสิบเอ็ดพระพุทธเจ้าพูดเรื่องนี้ปารบนางประชาบอดีโคตามีท่านมาทไวาย้ผ้า ต่ำมาเองพอมาเองต้องการให้พระพุทธเจ้ารับอยากแกได้บุญมากๆพระพุทธเจ้าไม่รับบอกให้ถาวายสง่งมันได้บุญมากทั้งกระเปียบเทียบเรื่องนี้ว่าในอนาคตการนูน่นเขาจะให้ทานแกเหล่าโคตละผู้สงผู้มีบาปทำรรอันลามกปุถุสิีมีผ้าเหลืองน้อยห้อยหูแต่เขามีเจตนาบริสุทธิ์เขายัางดังได้บุญนับประมาณไม่ถ้วนอย่างนี้อนาคตมัทธานังโคตละภูโนโกาสาวกันธา ทุศีลาปาปาธรรมะในอนาคตการจะมีภิกษุเหล่าโคตละผู้หัวเลี้ยวหัวต่อมีผ้าเลืง้งพันคอมีบาปทำอันลามกเป็นผู้ผู้สิงหมาชนทั้งหลายปรารถนาบุญปัถนากุศลก็จะให้ทานแก่บุคคลเหล่านั้นเพราะเขาเลิกไม่ได้เราก็ว่าอปปะไม่อย่างอปปะสังกัอย่างนับประมาณไม่ท่วนเลยอประมาณไม่ท่วนเรื่องบุญว่าเขาจะได้ขนาดไหนแต่ท่านจะไปตรงนรกหลุมไหนก็ทางหัวท่าน ก็อาภัยอาจะรุนแรงพูดด้วยความเร็วสูงเนี่ยได้เคยพูดกับพระลุกกรรมิกะเหมือนกันว่าท่านยังเป็นผู้ให้ทานอยู่แล้วหรือก็ต่อ ว, ว่าค่าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ยังให้ทานอยู่และทานนั้นข้าพระองค์ให้เฉพาะพระภิกษุพูดอยู่ป่าเป็นวัดผู้ถือบิณฑบาตเป็นวัดของพระบางสะกุลเป็นวัดให้แต่พระอรหันต์ผู้ัด